รู้สึกไปอย่างใจสบายสบายจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรนะรู้สึกไปสบายบายเดี๋ยวเขาสงบเขาเองก็นั่งสบายบายใจหนีไปคิดรู้ทันเนานะไม่ปล่อยให้เคลิมนั่งไปนะใจหนีไปคิดรารู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้ใจไปคิดก็รู้นั่งเรารู้ทันใจ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 ในตอนนินทาเขาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นโลภะโลภะมูลจิตนะนี่ไม่เรียนนะก็เซิร์ฟเว้ดตายเลยภาวานาลม้มลุกลุกลครานรู้ลหลักแนะ้ง่ายนิดเดียวเลยหลวงพ่อนะั้นแทบเขอะหัวตัวเองเลยภาวานามาพอสมควรแล้วนะเป็นนั่งอ่านปริยัติอ่านาภิธรรมอะไราเงี้ยโห้โหเราทําไมเราไม่อ่านซะก่อนวะนี่ภาวานาจะง่ายกว่านี้เยอะเลย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 พระนุรุตพรานุรุตใครรู้ทำรรมานุปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าความจริงแต่ละอย่างแต่ละอันนะมีหลายองนะไม่ใช่มีองเดียวหรอกหลักฐานมันมีอยู่นะไม่ใช่ลงมาที่เดียวอยนะ่างชี้ขาดต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สมัยก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่ได้มาสั่งเลยวนะ่าให้ไปดูกาย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 อาเชิญไปทานข้าว